มีหมาตัวหนึ่งนะโชคร้ายหรือว่าพลังเผลอก็ไม่รู้โดนรถไฟเนี่ยเฉียวกระดูกคงจะหักกันนะไม่ขาก็หรืออาจจะหลังก็ได้ก็นอนนิ่งอยู่บนรางรถไฟนะตรงไม้หมอนรถไฟก็เรียกว่าเหมือนกับนอนรอวันตายก็ได้แต่ปรากฏว่ามันมีหมาอีกตัวหนึ่งนะ ไม่ยอมปล่อยให้เพื่อนเนี่ยอยู่โดดเดี่ยวตรงกลางาทางรถไฟก็เลยไปนั่งเป็นเพื่อนแล้วอยู่ตรงนั้นน่ยเรยกว่าตลอดทั้งวันหรือทั้งคืนเลยก็ว่าได้ไม่รู้ว่าพอเฉีวแล้วนี่ไปหากินหรือเปล่านะเดี๋ยวก็มีคนเห็นนะว่าหมาตัวนี้นั่งเป็นเพื่อนอยู่ข้างๆหมาอีกตัวหนึ่ง แล้วเวลารถไฟเนี่ยมาถึงสถานีนะในตัวที่ไปช่วยนั่งเป็นเพื่อนเนี่ยไม่ยอมหนีนะไม่ยอมหลบทั้งที่เสียงรถไฟก็ดังหลังรถไฟก็สะเทือนมันก็เพียงแต่ก้มหัวลงต่ำๆรถไฟก็นะแล่นผ่านมันไม่มีท่าทีตื่นตกใจหรือกลัวเลย เพรธรรมดาเนี่ยนะเดีว่าแต่มาเลยคนเนี่ยนะถ้าเ ก, กิดรถไฟมันเล่นเหนือหัวนี่คงตกใจมากแค่เห็นรถไฟแล่นมาเนี่ย ก, กลัวจะมาทับนะแต่หมาตัวนี้นี่ไม่กลัวเลยเลือกจะกลัวก็ได้แต่ว่านึกถึงเพื่อนที่พิศการทุกทรมาแล้วก็เลยไม่ยอมหนีอยู่เป็นเพื่อน ใครจะมาเรียกให้หนียังไงก็ไม่ยอมคนเห็นก็สงสารนะสิ่งที่ช่วยได้คือเอาอาหารมาให้เอาอาหารมาให้ตัวทั้งสองตัวนั่นแหละอันนี้มันชี้ให้เห็นนะว่าโห่หมานี่ตัวนี้เนี่ยมีความความรักความห่วงใยเพื่อนมากมีน้ำใจนะพร้อมที่จะเสียงอันตราย เพื่อช่วยเพื่อนอาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากนะแต่ว่าอย่างน้อยก็ช่วยเป็นเพื่อนมันสาเหตุเลยนะว่าสัตว์เนี่ยนะมันก็มีความรักมีความห่วงใจมีมีความห่วงใย น, นะมีน้ําใจกับเพื่อนและไม่ใช่ว่าจะมีความรักความห่วงใยเฉพาะสัตว์ชนิดเดียวกันนะ บางทีสัตว์ต่างสายพันธุ์ต่างชนิดเนี่ยมันก็มีความรักความห่วงใยความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันมีหมาน้อยตัวหนึ่งเนี่ยนะเกิดในบ้านที่อยู่ในชนบทเจ้าของบ้านเขาก็เลี้ยงไก่เอาไว้เลี้ยงไก่ตัวหนึ่งนะก็ปล่อยให้มันหากินไปตามธรรมชาติหาไส้เดือนหาอะไรคุยเคี่ยไปตามธรรมชาติ หมาน้อยตัวนี้เนี่ยก็เลยมีไก่ตัวนี้เป็นเพื่อนเรียกว่ารู้จักกันมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่เกิดเลยไก่นี้ก็คงจะเป็นเหมือนพี่อ่ะนะก็คอยดูแลนะคอยเป็นเพื่อนให้กับหมาน้อยสนิท ก, กันมากนะหมาน้อยกับแม่ไก่ตัวเนี้มีวันนึงเจ้าของ เขาทำครัวแล้วก็บอกว่าหั่นหมูสับหมูหมูเศษหมูก็คาอยู่บนเขียงหมาไม่ได้กลิ่นนะก็พยายามที่จะปีนขึ้นไปบนโต๊ะใกล้ๆโต๊ะนั้นเนี่ยมันก็มีเก้าอี้นั่งเป็นเก้าอี้แบบอขอนไม้นะ มาตัดเป็นเก้าอี้มันก็ขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ <c oughs> ขึ้นไปอยู่บนเก้าอี้แล้วก็พยายามที่จะขึ้นโต๊ะแต่ตัวมันเตี้ยมไม่สามารถจะปีนขึ้นโต๊ะได้แม่คงทอมก็เลยลงมานะจากเก้าอี้ไก่เห็นนะอยากจะช่วยนะก็เลยขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ตัวนั้นนะ่ะ แล้วให้ลูกหมาเนี่ยยืนอยู่บนตัวไก่นะคล้ายๆแม่ไก่นี่เป็นคอยหนุนนะคอยหนุนให้หมาน้อยเนี่ยสามารถจะปีนขึ้นโต๊ะได้แล้วก็ทำสำเร็จนะหมาน้อยก็เลยได้กินนะเนื้อหมูนะที่เจ้าของเขาคาทิ้งไว้บนเขียง ก็มันเป็นาพาธินาลักมากนะแล้วเขาก็ไอหมาตัวนี้เนี่ยนะตอนหลังพอโตขึ้นนะมันก็ใหญ่กว่าไก่นะก็คอยช่วยปกป้องไก่บางทีก็หาของมาให้ไก่นะเรียกว่าช่วยเหลือเกือ้อกูลกันตั้งแต่เล็กจนโตเนยอันนี้มันก็แสดงถึงมิตรภาพนะไม่ใช่มิตรภาพม่มันจะเกิดขึ้น เฉพาะสัตว์ชนิดเดียวกันสัตว์ต่างชนิดก็มีนะแลวนอกจากมิตรภาพแล้วก็ยังมีความกตัญญูด้วยนะอย่างที่เคยเล่าเนี่ยกวางน้อยเรียกคนมาช่วยแม่ที่ติดแล้วติดเชือกอยู่ในป่าหรือว่าลูกปลาวานน้อยนะเรียกคนให้ไปช่วยแม่ที่อ่ติดอยู่ ในถ้ำไม่ใช่ในถ้ำมันกใกล้ถ้ำนะปากถ้ำกลางทะเลเพราะว่าตาข่ายเนี่ยที่เขาใช้ดักจับปลามันไปไปพันตัวเลยเพราพันหางของปะวานปะวานจะตายเ้าไม่มีใครมาช่วยนะลูกปาน้อยเนี่ยลูกปวานน้อยเนี่ยก็ยไปเรียกคนมาช่วยอันนี้ก็แสถึงความกระตันอยู่นะที่สัตว์เองก็มี ให้เราลพูดว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยประเสริฐเพราะอะไรประเสริฐเพราะมีความรักความห่วงใยมีมิตรภาพมีน้ำใจมีความกตัญญูมันก็คงเลี่ยงไม่ได้เต็มปากนะว่ามีแต่มนุษย์เท่านั้นนะที่มีคุณธรรมเหล่านี้สัตว์อื่นก็มีเน้นเพียงแค่ว่าเราประเสริฐเพราะ มีน้ำใจมีมิตรภาพมีความกตันยูมันคงไม่พอเพราะว่าสัตว์ที่ไม่ประเสริฐนะในนิยายของเรามันก็มีเหมือนกันแล้นมนุษย์เราจะประเสริฐก็เพราะว่าเราสามารถจะทำอะไรได้มากกว่าสัตว์ทั่วไปอย่างเช่นความกตันยูรู้คุณเนี่ยนะมนุษย์เราจะเหนือกว่าสัตว์ทั่วไปที่ว่าเราไม่ได้มีความกตันยูรู้คุณเฉพาะ คนที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือคนในครอบครัวเราเรามีความกตัญญูรู้คุณหรือเห็นคุณความดีของคนที่อยู่ไกลไปด้วยเช่นเราจะสำนึกในบุญคุณของแม่ครัวพ่อครัวพนักงานทำความสะอาดในที่ที่เราทำงานหรือพนักงานจอดรถพนักงานที่คอยบริการเวลาเราจอดรถ นะไปทำงานตามที่ต่างๆอันนี้เราก็สามารถจะเกิดความรู้สึกสำนึกบุญคุณได้หรือสำนึกในบุญคุณของคนที่เราไม่รู้จักอย่างเช่นเราสำนึกในบุญคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครเคยเห็นเคยพบพระพุทธเจ้านะแต่ว่ากับสำนึกในบุญคุณของพระองค์ในที่เรามาเวียนเทียนกันทุกวันวิสาขะมาฆะเนี่ยนะ หรือาสาละหาก็เพราะเราสำนึกในบุญคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีใครทุกวันนี้ที่เคยเห็นตัวหรือเคยพบพระองค์เราสามารถจับสำนึกในบุญคุณของสิ่งอื่นที่ไม่ใช่คนก็ได้เช่นธรรมชาติสำนึกในบุญคุณของป่าไม้สำนึกในบุญคุณของอลาําธารแม่น้ําเพราะว่าช่วยทําให้เรามีชีวิตที่ผาสุกเราจึงเรียก สายน้ำว่าแม่น้ําเราจึงเรียกผืนดินว่าแม่ธรณีอันนี้ก็จะเรียกว่ามนุษย์เราจะประเสริฐก็ตรงนี้แหละหรือประเสริฐกับสัตว์อื่นก็ตรงนี้แหละคือเราสามารถที่จะเห็นความดีหรือส่วนนึนในบุญคุณของคนที่ไม่ใช่แค่อยู่ใกล้ตัวเราหรือคนในครอบครัวแต่ว่าคนที่ไกลออกไปเราก็สามารถจะมองเห็นความดีของเขาได้แล้วก็ชื่นชมใน คุณความดีของเขาจนเกิดเป็นความสำนึกในบุญคุณเรียกว่าความประตันอยู่หรือว่ากับธรรมชาตินะกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเราก็สามารถจะรู้สึกสำนึกนบุญคุณได้เหมือนกับว่าเขามีชีวิตจริงๆกับคนที่เราไม่เคยเห็นเราก็สำนึกนบุญคุณได้นะอย่างพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายมนุษย์เราเนี่ยมีปัญญาปัญญาทำให้เราเห็นความดีของคนที่อยู่ไกลออกไปแม้จะ แม้เราจะไม่รู้จักหรือไม่ได้ใกล้ชิดด้วยตรงนี้แหละนี่ที่้ายมนุษย์เราเนี่ยควรเรียกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐนะเพราะว่าเราสามารถจะเห็นความดีหรือมีความกระตันยูต่อสิ่งที่อยู่ไกลออกไปไม่ใช่แค่อยู่รอบตัวเราแต่ถ้าเราไม่เห็นหรือไม่ต้องคนใกล้ตัวเราเราก็เห็นความดีของเขานี่อันนี้บางทีก็น่าเป็นห่วงนะว่าเราจะแย่กว่า สัตว์เล็กสัตว์น้อยนะที่เขาไม่ค่อยมีปัญญาเหมือนอย่างเราก็ได้